พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่ส4สิสี่จุลเวทันละสูตรสูตรว่าด้วยเวทันละคือการโต้อตอบด้วยใช้ความรู้สูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวนาวรามใกล้กรุงราชฤวิสาขาอุบาศกผู้เป็นอดีตสามีเข้าไปหานางธรรมทินนาภิกษุณีผู้เป็นอดีตภริยาตั้งคำถามต่างๆ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 หรือเป็นอสังคตะคือปั จ, จัยไม่ได้ปรุงแต่งตอบว่าเป็นสังคตะคือปั จ, จัยปรุงแต่งถามว่าขันสามคือศีลละขันกองศีลสมาธิขันกองสมาธิและปัญญาขันกองปัญญาขันสามนี้ส่งเคราะห์เข้าด้วยอริยามรรคมีองค์แปดก็แต่ว่าอาริยามรรคมีองค์แปดส่งเคราะห์เข้าด้วยขันสาม ตอบว่าขันสามนี้ไม่ส่งเคราะห์เข้าด้วยอริยามรรคมีองค์8ดก็แต่ว่าอริยามรรคมีองค์8ดส่งเคราะห์เข้าด้วยขันสามคือการเจรจาชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีวิตชอบส่งเคราะห์เข้าด้วยศีลขันคือกองศีลพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งใจมั่นชอบส่งเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันหรือกองสมาธิ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 ความไม่ส hm ja ําราญที่เป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตอทุกขมะสุขเวทนาคือความสําราญก็ไม่ใช่ความไม่สําราญก็ไม่ใช่ที่เป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตสุขเวทนามีอะไรเป็นสุขมีอะไรเป็นทุกข์ตอบว่าสุขเวทนามีความตั้งอยู่เป็นสุขมีความแปรปรวนเป็นทุกข์ทุกขเวทนามีความตั้งอยู่เป็นทุกข์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 เราจะเข้าสู่อายตนะที่พระอริยเจ้าเข้าอยู่ได้ทำความปรารถนาให้เกิดในวิโมกอันยอดเยี่ยมก็เกิดโทมนนต์หรือความเสียใจเพราะความปรารถนานั้นเธอย่อมละปฏิคะได้ด้วยโทมนนต์นั้นปฏิคะนุสัยย่อมไม่แฝงตัวตามในโทมนนต์นั้นภิกษุเข้าฌานที่สี่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยฌานที่สี่นั้น